143ปฏิปทาที่บรรลุอริยนานปฏิบัติในปัจจุบันมันเป็นการทำใจในใจได้ท่องแท้โยนิโสมานสิการนั่นก็คือการทำธรรมสองทวเวร ม, มาสามารถทำเวทนาสองให้กลายเป็นเวทนาหนึ่งได้สำเร็จจริงทะวเยนะเวทนายะ เอกสโมสารนาพระวันติพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60และนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมถึงขั้นธรรมสติปัฐานสสำเร็จผลเป็นที่ประจักษ์ถึงขั้นสามารถทมเวทนาในเวทนาโดยมีความรู้เวทนา108แล้วสามารถทมธรรมะสองมาเป็นธรรมะหนึ่งได้สำเร็จ นั่นคือธรรมโนมปวิจาริสแปฝ่ายเคหะสิตาเวทนาที่เป็นโลกียภูมิให้เป็นมโนปวิจาร 18, 5, ิสแฝ่ายเนคคำมะสิตาเวทนาที่เป็นโลกุตระภูมิได้ผลเป็นอนุสาสนีปาฏิหารจริงที่ลืมตาปฏิบัติแท้มีองค์ประชุมของรูปกับนามคือกาย มีอายยัตนาหกผัสสะหกเวทนาหกตันหาหกเป็นต้นสามารถรู้แจ้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าครบครันชัดเจนนี้แลคือเห็นสามัญญผลประจักษ์ได้ในปัจจุบัน